แล้วครับก็เข้าสู่ช่วงการเสวนานะครับจิตสดใสแม้กายป่วยนะครับท่านแรกก็คือท่านอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ครับท่านที่2นะครับคุณนงลักษณ์ฉัดชัยเวทครับท่านเมญสรสมัครครับและท่านที่3นะครับนางเอกตลอดกาลนะครับมากี่ทีต้องเจอท่านนี้นะครับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันเพนบุนประกอบครับผมเข้าใจว่าทุกท่านคงได้รับข้อมูลมาตั้นแต่เช้าแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการคุยกันในเรื่องของ ภาคปฏิบัติว่าการเข้าไปดูแลการเข้าไปทําความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างที่เราคุยกันนะฮะปีที่แล้วเนี่ยผมได้ได้เขาเรียกวารถกรรมอันหนึ่งนอกจากว่าพาเ t i v e Care แล้วเนี่ยในห้องนี้ยังมีเขาเรียกเป็นห้องห้องพ a เลทิบแชร์นึกออกไหมฮะเพราะมันจะมีเสียงอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะนั้นท่านช่วยประคับประคองเก้าอี้ท่านด้วยนะครับเป็นเป็นพาทิบอย่างหนึ่งนะครับผมอยากจะเริ่มที่ท่านอาจารย์เกียรติคุณ อาจารย์เหตุคุณวันเพ็ญคุณหมอวันเพ็ญก่อนแล้วกันนะครับว่า เ, ออเพื่อให้เราได้เข้าใจตรงกันถึง ค, ความหมายที่แท้จริงของพาธิบซึ่งปีที่แล้วผมจําได้ว่าท่านอาจารย์ได้พูดถึงคำหนึ่งซึ่งผมก็จดจํามาจนถึงปีนี้นะครับผมนึกไม่ถึงว่าปีหนึ่งมันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากคือท่านใช้คําว่าประคับประคองใจประคับประคองใจซึ่งผมว่าคำนี้คือหัวใจสําคัญที่สุดเลยของการทํางานด้านด้านการสร้างสุขภาวะทั้งผู้ที่ป่วยเองผู้ที่ดูแลผู้อื่นหรือว่าผู้ที่ต้องดูแลภาพรวมก็ดีนะครับ ผมอยากจะให้อาจารย์ได้ขยายความหมายและก็สิ่งที่เราจะไปให้ถึงกันในเรื่องของการที่เราจะโดยเพราะธิมปีนี้ก็คือ sharing to Care คือการแบ่งปันเพื่อที่จะเป็นการดูแลเอาใจใส่เนี่ยหนึ่งคือมันจะสำเร็จรูปธรรมได้อย่างไรสองคือมันต้องอาศัยองค์คาพ ย, ายกอะไรบ้างในการที่จะประกอบกันเข้ามาให้คนได้รู้สึกถึงความตระหนักและ3สถาสนการณ์ปัจจุบันที่ที่ผมคิดว่าในมุมของผมผมคิดว่าคนเริ่มตระหนักมากขึ้น แต่การจะขับเคลื่อนจริงๆไม่ง่ายเพราะว่าวิถีชีวิตที่มันแข่งขันมากกว่าแบ่งปันเนี่ยมันทำให้คนเราคับแคบขึ้นทุกวันอาจารย์ยช่วยสะท้อนหน่อยครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันการแบ่งปันเป็นอย่างไรแล้วก็ภารที่อาจารย์อยากจะให้ไปให้ถึงเนี่ยโดยเพราะการประครับประคองใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับขอบคุณแทนคุณคะ่ะกราบนมัจจิ ก, การพระคุณเจ้าและท่านภูมิเกียรติทุกท่านนะคะเ ม, เมื่อคงได้ฟังเรื่องของการประครับประคอง การรักษาแบบประภับประครองภาวะเรียกที่แกในความหมายแล้วใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่จริงการประคับประครองนี่คงจะต้องมีทุกๆคนนะคะไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยที่ที่เราหมดหวังหรือที่เป็นในเรื่องของเออเจ็บป่วยเรื้อรังหรือที่เรารู้สึกจะรักษาไม่หายแต่ที่จริงป ร, ประคับประคองมีมีทุกๆผู้ป่วยที่แพทย์กับพยาบาลจะให้ หรือญาติจะให้นะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราบอกว่าอะไรที่เราจะประคับประคองสิ่งที่เราจะประคับประคองได้มากที่สุดก็คือใจใช่ไหมคะเพราะถ้าเผื่อเราเข้าใจว่าเรื่องของใจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราบอกว่ากายป่วยแต่ใจไม่จาเป็นต้องป่วยถ้าเผื่อใจไม่ป่วยแล้วใจสบายได้มันจะรู้สึก การป่วยนั้อทุเรานะคะเออเหมือนกับข อ, อ, อ, อ, อพูดว่า อ, อ, อาจารย์อุบลสมีตัวเองเป็นเป็นมะเร็งเนี้ยนะคะปรากฏว่าท่านยอมรับอย่างดีมากเลยแล้วท่านก็บอกว่ามะเร็งมันต้องอาศัยเราอะครับค่ะท่านก็รักษาใจของท่านแล<ม>้วท่านก็หายวันหายคืนจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังแข็งแรงครับอันนี้แหะค่ะรู้สึกว่าญาติญาติช่วย ใจสำคันที่สุดคือตัวเราเองครับต้องประคับประคองตัวเองเป็นค่ะเหมือนที่เคยฟังตั้งแต่เด็กๆนะหลวงพ่อพยอมบอกว่าอย่าไปคิดมากเราตายมันก็ตายนะฮะมะเร็งมันอยู่ไม่นานเราตายมันก็ตายนะฮะ ย, ยอมรับมันแต่ผมว่าสภาวะจิตของผู้ที่ยอมรับได้เนี่ยไม่ง่ายนะครับถ้าอ ม, มองในเชิงธรรมะเนี่ยต้องฝึกฝนต้องปฏิบัติธรรมต้องผ่านประสบการณ์ผ่านชีวิตมาแล้วก็มีทัศนคติที่ เป็นเชิงบวกมากๆกับ ช, ชีวิต ค, คือมองเห็นว่ามันจะมีคุณค่าหรือว่าการมีสติการอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันต้องมีหลักธรรมเข้ามาประกอบมากทีเดียวอยากจะให้เล่าหน่อยครับว่าเ อ, อคนที่เอาเฉพาะคนที่ป่วยก่อนแล้วกันฮะที่จะประคับประคองใจเนี่ยเขาคนจะคิดอย่างไรหรือจะมีวิธีคิดเชิงสร้างสารรค์แก่ชีวิตอย่างไรครับเในที่เดิมแตงคุณบอกว่าคนเราต้องคิดบวกทําไมคนเราต้องคิดบวกเขาบอกว่าค น, คนเรานี้เหมือนสนามแม่เหล็กใช่ไหมคะคถ้าเผื่อตราบใดที่เราคิดด้านบวก มันจะมีประจุลบเข้ามาอมรอบๆใช่ไหมคะตรงนั้นก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่มันเหมือนกับสดชื่นร่มเย็นเป็นสุดในขณะเดียวกันถ้าเราคิดร บ, รบประจุบวกเข้ามาทีนี้ก็บอกมันสามารถทำให้แผ่นดินไว้ได้ล่ละ<อ>ถ้าเผื่อสมมุติว่าบวกกันเยอะๆอในสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นในการคิดดีนี่เป็นเรื่องที่สาคัญแน่นอนที่สุดคะ่ะเราคงต้องหัดคิดกันตั้งแต่ดูนี้ ตั้งแต่ในสมัยที่เรายังดีๆอยู่นะคะแต่ถึงกระ น, นั้นแม่ยามเจ็บป่วยเลี้นเชื่อว่าศาสนาพุทธเป็นออสิ่งที่ทำให้เรามองอะไรในด้านบวกได้เยอะ ค, ค่ะเลียนยกตัวอย่างอย่างตึกถลม่มอาจารย์อรุณทึ่ท่านเป็นจิตแพทย์ท่านไปทำวิจัยตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่าคนที่ติดอยู่ในซากตึกเนี่ย คนบางคนอยู่ได้อย่างสบายมากเลยแล้วก็เขาอยู่รอดจนกระทั่งคนเขาไปช่วยเป็นเวลาหลายหลายวันเอาคนพวกนี้มาคุยเนี่ยเขาบอกบอกว่าขณะตรงนั้นน่ะเขามีความหวังเพราะฉะั้นคนเราต้องมีความหวังว่าชีวิตนี้เนี่ยจะรอดอยู่ได้แล้วก็จะมีคนมาช่วยขณะเดียวกันตรงนั้นเขาพยายามทำจิตก็ให้สงบที่สุดเลย mm hmm. เพรั้งนั้นเออบางทีอย่า ง, ยงคนที่อยู่ในซากตึกแล้วก็ อยู่ได้นานข้าวปลา ก, ก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินเมื่อได้ทําจิตให้สงบแน่นอนที่สุดเมตาบริส mm ุท hmm. การเผาผลาญมันก็น้อยเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นการยืดชีวิตเมื่อไม่นานในนี้เราเห็นใช่ไหมคะที่จริงเด็กนี่จะรอดชีวิตได้เยอะเพราะเด็กไม่ต้องคิดอะไรครับอยู่ได้นานก็าบอกถึง2อาทิตย์ถึงเดือนนะคะ mm hmm. อันนั้นเป็นเป็นตัวอย่างที่เราให้มองเห็นว่าตัวคิดกับใจของเรานี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ น่าสนใจนะครับผมทาให้ผมนึกถึงอาจจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับคําสอนนะครับที่ท่านสอนไว้ก็คือว่าเวลาที่เหมือนกับเวลาที่เราถูกธนูยิงหนึ่งดอกอันนี้น่าจะเป็นคําสอนที่คัสสิกสุดสาหรับพาร์ทีผมคิดว่าสําคัญมากแล้วแทนที่เราจะมัวแต่มานั่งทุกว่าเฮ้ยทาไมเราถึงถูกยิงใครเป็นคนยิงเราบ้านมันอยู่ที่ไหนพ่อมันชื่ออะไรธนูทําจากไหนทําไมต้องเยอะแยะมากมายเรารีบมารักษาก่อนแล้วก็อีกอันนึงคือว่าแทนที่เราจะรีบรักษาตัวเองให้ใหาย เราก็มานั่งโกรธแค้นทุกทรมานกับมันมันธ น, นูอีกหนึ่งดอกที่ปักเข้าไปในใจของเราใช่ไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นไม่มีอะไรจะทําร้ายตัวเราได้เท่ากับตัวเราทําตัวเราเองใช่ไหมครับนี่ก็ผมคิดว่าวันนี้คุยไปคุยมามจะกลายเป็นเรื่องธรรมะไปแต่จริว่าสําคัญมากนะเพราะว่าเรื่องการรักษาจิตของใครของใครก็ของมันหมอที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถรักษาเข้าไปในจิตวิญ ญ, ญาณของเราได้นอกจากตัวเราเองที่จะต้องยอมรับและเรียนรู้นะครับเหมือนเพลงที่เขาบอกว่าอยู่ที่เรียนรู้และอยู่ที่ยอมรับมันเลยนะฮะ ผมถามอาจารย์กำพลดีกว่านะครับจริงแล้วหลายท่านอาจจะทราบว่าท่านเองประสบบัตเหตุนะฮะก็คือครั้งที่ท่านเป็นครูสอนว่ายน้ำตอนนั้นอายุท่านประมาณเท่าไหร่ครับยี 24, <24. S 1> <24. S 2> ใช่มยสแล้วก็กระโดดลงไปในสระและศีสษะไปกระแทกใช่ไหมก้นก้นก้นสร ะ, ส ะ, สะก็เลยกระทบมาถึงก้นบึ้งของหัวใจในวันนี้เกิดเอฟเฟกอะไรขึ้นมาหลังจากนั้นครับมาถร่างกายฮะ ร่างกายก็มันก็ควบคุมร่างกายไม่ได้เนี่ยกระดูกระดับสี่ห้ามันหักกับทำให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ยหมดความรู้สึกเลยก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้กับก็จมอยู่ที่ก้นสระอยู่กี่นาทีฮะก็เขาบอประมาณห้านาทีนะหนานเหมือนกันนะในช่วงอยู่ห้านาทีนี้ก็ก็ดื่มน้ำฮะดื่มน้ำเข้าไปเยอะเลยเอาแต่ห้านาทีนี่มัน มันไม่ทำให้ขดหาดหายใจมากเลยฮะการดืม่มการกลืนน้ำเข้าไปเป็นการช่วยทำให้ยืดอายุของชีวิตออกไปได้เพราะในน้ำมันก็มีออกซิเจนนิดหน่อยก็ พ, พออาศัยได้โอ้โห oh, <c oughs> นี่ใช้วิธีการเดียวเป็นเทคนิคของชาวเรือ <c oughs> คุณพ่อเคยสอนไว้ถ้าดำน้านาน ๆ, านๆถ้าถึงคราวขับขันจริงแล้วก็ค่อยๆกลืนน้าลงไปช้าๆ ตอนนั้นได้ตั้งใจทําอย่างนั้นไหมฮะหรือว่าตั้งใจอ๋อ oh, ตั้งใจคือหมายความว่าพอกระแทกไปปุ๊บมันมันมนมันเกิดเอฟเฟกที่คอคที่แล้วมันก็เหมือนกับว่ายัางช่วยตัวเองขึ้นมาไม่ได้ก็ใช้วิธีนั้นด้วยโ อ, อ้ oh. ดิ้นรนกันฮะดินน้นรนจนกระทั่งเห็นว่ามันจะไปไม่รอดแล้วครับก็เลยก็ต้องยอมรับความจริงก็ต้องกลืนน้าลงไปช้าเพื่อยืดระยะเวลาคิดให้ให้กรรมให้กรรมดีมส่งผลนะคิดไหมครับว่าจะเสียชีวิตหน้าวินานนั้นแน่นอนเลย ตั้งใจเสียชีวิต oh. เพราะว่ามันมันถึงข่าวจนมุมนะยังไงมันก็ต้องยอมครับแต่ก็เรามีสิทธิ์ที่ยืดอายุกรรมได้ครับยืดพอดีกรรมดีส่งผลนะ hmm. ก็มีคนลงไปช่วยได้ทัน uh. แต่ไม่รู้ดีหรือเปล่าคนระับแล้วมันมั น, ม, นมันเป็นเอฟเฟคต์ต่อสมองอะไรไหมครับหมายความว่าทำให้มีผลต่อความทรงจำหรือความคิดอะไรไหมฮะอตอนจาดีขึ้นฮนะ Oh, right? รู้สึกมันมันถูกปลุกให้ตื่น uh huh. มันก็มันก็รู้สึกว่าเราเข้าใจหลายๆอย่าง mm hmm. มันเริ่มลําดับเหตุการณ์ต่างๆในขณะที่เกิดอุบัติเหตุแต่แต่เคยสัมภาษณ์ท่านแล้วจันเคยเคยก็คือเล่าช่วงคือตอนนี้นะวันนี้เนี่ยเราฟังเราจะเห็นภาพของการเข้าใจธรรมะมากขึ้นแต่ในช่วงวันที่ทุกข์มากนอนอยู่บนเตียง uh huh. อยากให้เล่าให้ฟังตอนนั้นว่าวินาทีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นท้อแท้ขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนหรือว่า การปรับเปลี่ยนวิธีคิดมาจนถึงวันนี้ได้ใหม่ๆมันก็งงตัวเองนะไม่เข้าใจตัวเองว่าเราเป็นอะไรทาไมเราจะเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นอย่างไรไม่มีแต่ความสงสัยก็เลยอาศัยโดยเฉพาะเรื่องความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยมันมันพาความเครียดมาสู่จิตใจความคิดพาความทุกข์มาสู่ใจ จะรู้ว่ามันเป็นพาหะก็ได้พาหะของความทุกข์มรสูตใจก็โดยเฉพาะเรื่องความขี้เกียจเรื่องตัวเราเนี่ยตัวเราตัวเราเป็นทุกข์มากนะเอาตัวเราในเปรียบเทียบตัวเราปัจจุบันกับตัวเราอาดีตตัวเราปัจจุบันนี่มันมันแย่นะตัวเราอาดีตนี่มันดีนะเสียดายมากนะแล้วก็ในระหว่างอยู่บนเตียงรอ รอว่ามีความเม้ามันจะหายก็ตัวเราเปรียบเทียบกับคนที่มาเยี่ยมเราโอ้ตัวเราเนี่พิการเนาะเป็นทุกข์แต่คนที่มาเยี่ยมเราก็ไม่เป็นทุกข์เลยเห็นว่าเขาดีกว่าเราเราด้อยกว่าเขามันก็น้อยเนื้อต่ําใจสิ่งเหล่าเนี่ยพอมันคิดนหนักเข้าเนี่ยมันเกิดอาการนอนไม่หลับ <c oughs> นอนไม่หลับมันจิตมันฟุ้งซ่านมากพอนอนไม่หลับแล้วมันมีโรคอื่นแทรก แทรกมากับความเครียดของความคิดมันแทรกเข้ามาตอนนั้นท้องอืดจุกเสียดแน่นเนยปวดศรีรษะก็คิดว่าถ้าคิดต่อไปเนี่ยมันคงจะเป็นโรคชนิดหนึ่งนี่ก็โรคโรคพาคิดสัน้นอม่จ <c oughs> นะ่ปลาขิงสัตวนะคิดว่าถ้าคิดต่อไปปล่อยให้ความคิดเดินไปอย่างเงี้ยสงสยัยเราคงอยู่บนโลกนี้ไม่ได้นะ <c oughs> เพราะข้างหน้ามันมืด เมันก็เลยใช้วิธีการหยุดด้วยการอดทน <c oughs> อดทนเนี่ยดีมากเลยการอดทนเนี่ยมันช่วยทําให้ทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมันลดน้อยลงได้ที่จริงๆไม่ลดน้อยลงเพราะว่าจิตลองมีพลังมากขึ้นตอนนั้นไม่ได้สนใจกับธรรมะไม่ได้การฝึกจิตอาศัยขันติสติไม่มาเอาขันติไปก่อ น, อนขันติเขาช่วยอดทนเสร็จแล้ว ที่ทนกับร่างกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทนทางจิตที่มันอารมณ์บีบคั้นจิตใจเนี่ยมันรุนแรงกว่ากายมันลืมกายว่าป่วยแต่ไปถูกบีบคั้นที่ใจรืมความทุกข์ต่างๆอดทนแล้วมันมันก็มันเกิดความภูมิใจอย่างหนึ่งนะไอ้ว่าเราเนี่ยกำลังทําสิ่งที่ดี่สุดในชีวิตของเราคือช่วยตัวเองมันก็คือการปฏิบัติธรรมอดทนเวลานานเนี่ยมันเกิดความเคยชิน มันด้านชากับความทุกข์กับความพิการใจมันเริ่มยอมรับยอมรับว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดยอมรับแล้วขณะที่การยอมรับเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการแก้ไขแก้ปัญหาอยู่ในตัวคุณหมอช่วยร่างกายแต่เรายอมรับทางใจเดินคนละครึ่งทางกับคุณหมออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าเราจะต้องตายก็ต้องยอมตายไปพอเราคิด รู้จักยอมแล้วก็ยอมยอมเนี่ยโอ้ใจมันเริ่มดีนะใจมันเริ่มผ่อนคลายพอใจผ่อนคลายมันเริ่มว่างจิตมันเริ่มว่างแล้วมันจะมีความคิดดีๆเข้ามาแทกที่ตรงนี้แหละความคิดบวกจึงจะเกิดขึ้นใหม่ๆมันยังไงก็ไม่บวกนะคิดทีไรนี่มันมืดมันยิ่งกันลบนะมันมืดเลยนะและความคิดดีๆมันเกิดขึ้นเป็นความคิดที่แยบคลายมากคิดแก้ปัญหาตัวเองว่า เราจะทํำงานให้มันดีกันนี้ชีวิตของเราจะใช้ความทุกข์กับความวิการของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างไรบ้างมันคิดมาเองโดยที่ไม่คาดถึงเมื่อจิตมันว่างมันทางานเข้ามันเองยอมรับแล้วเกิดความคิดและโชคดีนะผมมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากเลยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปันจจัยสําคัญไม่ใช่สถานที่แต่เป็นตัวบุคคลคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชีวิตเราที่สุดเลย ท่านเป็นกระจกสะท้อนถึงความทุกข์ของเราเ mm hmm. พราะท่านก็ทุกข์ด้วยท่านก็ อ, อาศัยหาธรรมะมา mm hmm. แก้ปัญหาชีวิตให้กับผม mm hmm. ใช้ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่ง mm ้ hmm. อาดีสุดเลยคือธรรมะซึ่งเราไม่เคยสนใจมาก่อน mm hmm. แต่ท่านมีวิธีการนำเสนอแบบไม่คาดคั้นให้เกียรติเราโดยการไม่ยื่นทาให้เราแบบบังคับหรือ ย, ยัดเยียด แต่วางนิ่มๆอยู่ข้างตัวเราคือหนังสือธรรมะพราะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งเร้าที่ดีแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เริ่มต้นจากตรงนั้นตรงที่พ่อยื่นสิ่งที่ดีมาให้กับเราแต่มีสิ่งเร้าที่ดีกว่านี้ก็คือครูบาอาจารย์แนะนาวิธีการปฏิบัติเราก็อาศัยวิธีการปฏิบัติธรรมนี่แหละเรียงจิตเลียงใจ ให้คลายทุกคลายเครียดไปจนทุกวันนี้นะเริ่มต้นจากการอดทนแล้วก็รู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกเกิดวิธีคิดที่สร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาคิดออกจากทุกแล้วก็ปฏิบัติตามความคิดเพราะความคิดของเราเนี่ยบางทีมันคิดเกินไปนแต่ส่วนที่มันพอดีมันก็มีอยู่ยก็เลยรับผลมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ผมอยากสรุปว่าสภาพร่างกายที่ป่ว ย, ยถ้าจะให้จิตมันสดใสได้เนี่ยมันต้องมีวิธีการอยู่สักสามวิธีการวิธีการแรกก็คือรู้จักคิดที่แยบคาย <c ười> คือคิดแก้ปัญหาคิดออกมาแล้วต้องแก้ปัญหาได้คิดออกมาแล้วต้องออกจากทุกข์ได้และคิดถึงหลักความจริง นี่คือคิดที่แยกคายเห็นว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันมันคือทำหน้าที่ป่วย <c oughs> จิตใจมันทำหน้าที่รู้ร่างกายเหมือนคนป่วยจิตใจเหมือนผู้ดูแลเนี่ยร่างกายเปียกเสมือนเรือจิตใจเหมือนนายเรือนายเรือก็ทําหน้าที่บังคับเรือพอบังคับเรือไปนานเรือมันก็สุดโสมโรคแทรกเป็นตามธรรมดาแต่เสีแล้วนายเรือต้องฉลาดรักษาโดยการ รูรั่วคือพยายามแก้ปัญหาเรือสุดท้ายเรือมันก็ต้องสุดโสมแล้วก็จมลงแลอับปางลงไปในเรือทํำยังไงถึงคราวต้องสละเรือกระโดดหนียวตัวรอด <c oughs> เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนั้นเลยเพราะนนั้ร่างกายที่สุดโสมแบบเนี้มันเป็นเพียงแค่เรือที่ในเรือคือจิตที่อาศัยเท่านั้นเองมันก็ผ่านวิกฤตอย่างนี้มาได้ และปัญหาสําคัญนะตัวสําคัญตัวปัญหาของความทุกขเนี่ยคือวิธีคิดเนี่ยความทุกขคือสิ่งที่มาจากความคิดที่มันเครียดความคิดมันพาเป็นปาหะพาจิตไปเครียดและความเครียดเป็นป่าหะไปสู่ความเป็นมะเร็งทางกายตัวนี้สําคัญมากนั้นสิ่งที่จะรู้เท่าทันความเครียดหรือความคิดก็คือตัวสติ ทันทีที่ความคิดมันเกิดปรุงแต่งมากมายถ้ามีสติรู้ทันความคิดมันก็หยุดทำงานเมื่อความคิดหยุดทำงานสิ่งที่มาความคิดทั้งหมดจะเป็นความอยากความไม่อยากความทุกข์ตัวตนต่างๆมันก็พลอยสลายลงไปด้วยฤๅแต่จิตล้วนๆที่ไม่มีการปรุงแต่งมีแต่สติปัญญาควบคุมจิตใจให้เป็นปกติได้มันก็เลยมองเห็นว่า ไอ้ความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของกายส่วนความไม่ทุกข์เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของจิตใจ <laughs> นะต้องมีต้องมีวิธีคิดที่แยบคายมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็มีสิ่งไว้ล้อมที่ดีโดยเฉพาะบุคคลจึงจะช่วยทำให้จิตสดใสแม้กายป่วยได้ครับปรมือให้กลังใจท่านอาจารย์หน่อยนะครับ คือฟังแล้วรู้สึกว่าได้เห็นภาพนะครับว่าชีวิตของเราจะสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ในใจของเราและนั่นคือเป้าหมายจริงๆที่แท้จริงของพาเ t ทีฟแคร์นะครับคือเราทำอย่างไรให้คนเนี่ยอย่างน้อยสุดคิดแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าคนป่วยคิดเองได้นะครับยิ่งดีแต่ถ้าคิดไม่ได้คนที่อยู่รอบข้างนะครับเรียกว่ากาัลยาณมิตรต้องช่วยนะครับโดยเพพาะคนที่ใกล้ใกล้ชิด อย่างครอบครัวหรือคนเป็นญาติซึ่งจะถามพี่นองรักษ์นะครับอยากให้พี่นองรักษเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าพี่นงรักษ์ได้อยู่ในฐานะของภรรยาที่ดูแลผู้ป่วยเรื่องอะไรแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับความรู้สึกแรกที่เห็นคนที่รักเนี่ยต้องจะป่วยและเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างครับเฉยครับการรับการต้นเจ้าแล้วก็อาจารย์ อาารหมอท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้เปเกียรติท่านก็วันนี้ก็มาใน2บทบาทคือในบทบาทของผู้ป่วยและบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะบทบาทของผู้ป่วยคือตัวเองเป็นผู้ป่วยนะคะดูแลผู้ป่วยก็คือเป็นอาสาสมัครขอ ง, ของแผนกอายุรศาสตร์นะคะของอาจารย์ลุงนิรันต์นะคะค่ะอันนี้ความเจ็บป่วย บทบาทของผู้ป่วยป่วยเป็นอะไรนะคะก็ป่วยเป็นโรคที่เข้าไข่แล้วไม่ค่อยออกจากไครก็อยู่กับเราตลอดนะคะคือเมื่อปี4ีเเนี่ยตอนนั้นก็เป็นมะเร็งที่หลังไขอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นจะเดินทางอยู่ก็ปรากฏว่าต้องหยุดการเดินทางแล้วก็ผ่าตัดกระทันหันผ่าตัดมดลูกหลังไข่นะคะต้องให้คีโมไปห6ครั้งด้วยกัน แล้วก็หลังจากนั้นประมาณ3เดือน เ, อเขาก็กระจายมาที่ตับนะคะแล้วก็ต้องให้คีโมต่ออีก12อตอนแรกให้6ปรากฏว่ า, าไปเราก็เข้าใจว่าให้6แล้วก็ดีใจปรากว่าคุณหมอก็ไปสแกนแล้วเนี่ยต้องให้เพิ่มอีก6เป็น12นะคะช่วงที่ให้6เข็มแรกที่ที่เป็นที่รังไข่เนี่ยช่วงนั้น ผมร่วงแล้วก็คิ้วไม่มีนะคะเป็นสภาพที่เราเรารับไม่ได้นะคะผู้หญิงถ้าไม่มีผมกับคิ้วก็ไม่เหลืออะไรใช่ไหฮะตื่นเช้าขึ้นมาแค่สองกระจกเนี่ยก็รู้สึกซึมเศร้าแล้วแล้วก็จะร้องไห้ทุกวันช่วงที่ไปให้คีโมบำบัดตอนที่เป็นที่ลังไข่เนี่ยต้องให้ทีหนึ่งใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะคะ ช่วงสีชั่วโมงเนี่ยไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนจิตก็จะวิ่งออกไปฟุง้งศ่านตลอดสี่ชั่วโมงก็คือผู้ป่วยแต่ละคนจะคล้ายๆกันอะคือว่าทำไมเราถึงเป็นทำไมเราโชคลายนะคะแล้วก็หาสาเหตุนะคะหาไม่ได้ก็ขุดประวัติบรรพุกหลุดนะคะว่าออรุ่นไหนทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้ค่ะ ก็มาคิดในหลังว่าบากกรรมเลอวเกินนะคะเสร็จแล้วช่วงนั้นก็ร้องไห้ทุกวันเวลาทานข้าวน้ำตาก็หยดลงไปในข้าวที่บ้านก็มีพ่อแม่ลูกบรรยากาศในบ้านเนี่ยซึมเศร้าไปหมดตัวผู้ป่วยเนี่ยเป็นคนที่สร้างบรรยากาศนะคะถ้าเราเราซึมเศร้าคนที่รักเราเขาก็ซึมเศร้าไปด้วย แล้วก็ช่วงนั้นค่ะก็เมื่อกี้คุณแทนคุณบอกคนรอบข้างเนี่ยจะช่วยเรานะคะก็ได้ท่านอาจารย์สแสวงค่ะเป็นพี่ชายที่ให้กําลังใจนะคะแล้วก็พามาฝากอยู่กับท่านอาจารย์สุมารีเพราะว่าถ้าคืนให้ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยก็คงต้องซึมเศร้าตายเพราะว่าให้คีโมสี่ชั่วโมงกลับบ้านก็ตาบวม ะะแล้วก็ช่วงที่ให้สีชั่วโมงเนี่ยทั้งพี่ชายทั้งสามีลูกชายต้องสลับกันมาอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นโรคอย่างที่อาจารย์คำพลว่าคิดผ่าสัน้นนะคะก <c ười> <c ười> ็คือผู้ป่วยผู้ป่วยจ ะ, จะอยากจะค่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยคขาก็ต้องมาสลับอยู่กันนะคะ <c ười> นี้มาอยู่กับท่านอาจารย์สมารีอ า, อาจารย์ก็ฉีดวัคซีนให้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ตัวยาเป็นธรรมะโอสถแบบเข้มข้นเลยนะคะก็อยู่กับอาจารย์เป็นเวลาเกือบปีถึงได้ฟื้นขึ้นมาเพราะว่าตลอดหนึ่งปีเนี่ยไม่เคยหัวเราะเราเรารู้สึกว่าจิตใจแย่แล้วก็มีวันหนึ่งเนี้ยก็ในโครงการรักษาใจา ย, ยามเจ็บป่วยเนี่ยคะ่ะมีวันหนึ่งที่อาจารย์สอนให้กำหนดวิธีการทาน เดิมน้ำทานขนม ấy, ก็มีคุณป้าข้างๆเนี่ยเขายังไม่ได้บอกให้เริ่มแกก็ทานไปหมดแล้วอะแล้วพอตอนตอนที่เราจะกําหนดเนี่ยคุณป้าก็เลือกลักว่าเอ๊ะฉันจะเอาอะไรกําหนดอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเดิมเนี่ยแต่ก่อนนี้เป็นคนเซนเตอร์อ Center, ใช่ไหมคะพอเห็นงั้นก็ขาวันนั้นแบบเป็นครั้งแรกที่หัวเราะแล้วก็ขำขาแบบกลั้นไม่อยู่นะคะอาจารย์กําลังบรรยายอยู่แล้วก็ขําอยู่นั่นแนหะจนกระทั่ง หมดชั่วโมงก็ไปกราบขอโทษท่านอา จ, จารย์จุมารีวัจจายารเมื่อกี้หนูเสียมารยาทมากแต่ว่าหนูกลั้นไม่อยู่จริงๆนะคะท่านอา จ, จารย์ก็ตบไหลแล้วก็บอกว่าหมอดีใจมากที่กลับมาหนูว่ากลับมาเป็นคนเดิมแล้วก็ตั้งแต่นั้นคะก็ฟื้นขึ้นมาจากโลกซึมเศร้าต้องไปกราบป้าคนนั้นด้วยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วอพ อ, พอ ช่วงนั้นก็เหมือนกับท่านอาจารย์ได้ให้จิตดวงใหม่เป็นจิตที่มมีพลังเมื่อจิตมีพลังมันก็เกิดพลังชีวิตที่เราจะใช้ชีวิตปกติใช่ไหมฮะว่าจะไปไหนก็ไปก็ขับรถไปหาหมอเองได้ทั้งพี่ทั้งสามีทั้งลูกไม่ต้องมาด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่ทานข้าวนี้เราก็นึกย้อนไปว่าร้องไห้ไปอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ญาติเราที่บ้าน สามีกับลูกเขาเยี่ยวยาเราไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสภาพแบบนี้ก็คงเหมือนคนว่ายน้ําไม่เป็นก็คงต้องตายทั้งสคนเพราะฉะนั้นหลังจากมาอยู่กับท่านอาจารย์สุมาลีแล้วให้รู้จักใช้สติปัญญานะคะก็นึกขึ้นมาว่าตั้งสติแล้วก็คิดว่าจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะใช้ชีวิตอย่างไรกับเวลาที่เหลืออยู่ค่ะก็ไปหาหลังจากนั้นเนี่ย เข็มที่7ไปถึงเข็มที่26ขับรถไปหาหมอเองให้ยาเสร็จก็แวะวางหลังซื้อกับข้าวขนมกลับบ้านไปทานกับสามีกับลูกนะคะ mm. ภาพที่ว่าน้ําตาเคยหยดลงไปเนี่ย อ, อันนั้นกับภาพตอนนี้ก็คือว่าเราเอากับข้าวไปแล้วก็เราก็ทานกันอย่างสนุกสนานมันกลับมาในบรรยากาศเดิมเหมือนกับที่เราก่อนป่วยนะคะเพราะงั้นทุกอย่างเนี่ยกลับมา ะะอยู่กับท่านอาจารย์สุมาลีทําไมถึงได้ฟื้นขึ้นมาคือธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยที่พึ่งทางใจนะคะท่านอาจารย์สุมาลีสอนให้เข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิตแต่ก่อนเนีย เ, เข้าใจผิดเรื่องการเกิดการตายเนี่ย ะคะพอมาอยู่กับท่านอาจารย์สุมาลีเนี่ยเรารู้ว่าแต่เดิมเนี่ยเราจับคู่ผิดเกิดนั้นคู่กับตายตายไม่ได้คู่กับมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นตอนที่ยังไม่ได้มีธรรมะเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยก็ดิ้นรนสารพัดที่จะให้มีชีวิตอยู่นะคะวันการที่จะคิดสู้สู้กับมะเร็งสู้มันก็ทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ใจก็เป็นพยาบาทใช่ไหมฮะอาจารย์ท่านได้พาไปปฏิบัติธรรมที่บ้านไรวา ะะทำให้จิตเรามีเมตตาแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นเนื้อดีเนื้อร้ายมันก็เป็นเนื้อเราใช่ไหมฮะเพราะ ง, งั้นเขาก็ไม่อยากเกิดมาเป็นเซลมะเร็งเมื่อเขาเป็นเป็นแล้วเนี่ยเราก็แบ่งเนื้อที่บางส่วนให้เขาอยู่แล้วก็อยู่ด้วยกันไปนะคะมะเร็งในช่วงนั้นก็กระจายมาที่ตับในช่วงสามเดือนก็วันที่ไปหาคุณหมอก็ไปคนเดียวแล้วก็ อาจารย์วิเชียนก็มองว่าวันนี้ญาติไม่มาก็จะแจ้งข่าวลายว่ากระจายไปแล้วอ่ะก็อบอกคุณหมอว่าไม่เป็นไรค่ะเ อ, อมันซีเรียสยังไงใช่ไหมคะก็อบอกว่าเนี่ยกระจายมาที่ตับเนี่ยก็คงจะระยะสุดท้ายก็ถามคุณหมอว่าเออมาเลงตับเนี่ยมันจะเสียชีวิตเร็วนะคะไม่ทราบว่าจะกลับไปเก็บข้าวของทันไหมคะอาจารย์วิเชียนอาจารย์บอกว่าก็ไม่ถึงกับเหมือนเป็นไฟไหม้หรอกนะ เพราะฉะนั้นการที่เราจิตเรายอมรับในความจริงนะคะจิตเราไม่กลัวความตายมุมมองเกี่ยวกับความตายเนี่ยเราได้มุมมองที่ถูกต้องมุมมองเกี่ยวกับความตายเนี่ยจะมีผลกับอาการของโรคถ้าเรากลัวความตายเราก็จะสุดเร็วเพราะว่าพอกลัวตายเนี่ยทั้งวันก็คิดแต่เรื่องเรื่องนี้ฮะเรื่องความเจ็บป่วย แล้วก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็คือพักผ่อนไม่พอแล้วก็พอกังวลก็ทานข้าวไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายก็จะสูบผอมใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องก็โอเคมันมันเป็นเรื่องสภาวะธรรมอย่างหนึง่งแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วเราก็ดูแลร่างกายเราอย่างดีเพื่อที่จะรับการรักษานะะวะันหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ให้ไป มาที่ตับต้องให้12ให้ไป6แล้วต้องไปทำสแกนว่ายาที่ให้ไปเนี่ยใช้ได้ได้ผลกับที่โลกข้างในไหมก็ปรากฏว่าไปสแกนแล้วก้อนก็เล็กลงไปบ้างแต่ไม่มากแต่ว่ามีของแถมมาอยู่ตรงใกล้ๆบริเวณต่อมอไตนะคะเข้ามาเพิ่มที่ตรงนั้นให้อีกก็อาจารย์ก็เลยเขียนยาเตรียมไว้ให้อีก8เข็มนะคะเพราะวให้ให้ 12, ยังไม่ครบก็มีอีก8รออยู่ รวมแล้วก็เป็น26เข็มนะอันนั้นก็คิดว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะเหลือมากเหลือน้อยอยังไงเราก็เตรียมตัวดีที่สุดก็กลับไปเก็บข้าวเก็บของแล้วกอ็อยากจะบอกอะไรกับใครก็บอกให้เรียบร้อยนะคะก็คิดว่าเราไม่จำเป็นต้องมารอจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่อยู่บนเตียงแล้วก็พะ ง, งาบพะ ง, งาบอยู่พูดอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะ ก็ขอบคุณพี่ขอบคุณสามีสั่งเสียกับลูกแล้วก็บอกว่าถ้าวันไหนที่เรามีอาการไม่ดีก็ให้ที่ส่งไปโรงพยาบาลอยากตายที่โรงพยาบาลทำไมอยากตายที่โรงพยาบาลเพราะว่าที่บ้านอยู่กันพ่อแม่ลูกถ้าเราตายที่บ้านเนี่ยความวุ่นวายมันจะมีมากสามีจะลำบากลูกจะลำบากใช่ไหมฮะก็ต้องแบกลงศพแบกเข้าไปในบ้านแบกออกมาแล้วถ้าใครจะมาค้างที่บ้านก็ไม่กล้าค้าง ก็คิดว่าเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเตรียมแม้กระทั่งชุดที่ใส่เนี่ยมีคุณเสียรุนที่โทรไปถามเขาว่าน้องเสียรุนเวลาที่คนตายแล้วเนี่ยอีกนานเท่าไหร่แล้วแขงขามันจะแข็งอะ่ะก็ถามว่าพี่ถามทำไมบอกว่าเออพี่กาลังเตรียมตัดชุดที่ว่าเอามือล้วงเข้าไปเสร็จแล้วก็รูดซิปขึ้นมาเลยจะได้ใส่ง่ายๆไง<ม>นะคะก็ชุดนั้นก็ ใส่จนซีดแล้วแล้วก็มาตอนนี้ก็คือว่าเขาก็ไปที่ตอมน้ําเหลืองแล้วก็ได้ตัดชุดใหม่แล้วค่ะค mm ุณ hmm. สีรุ่นถามว่าเป็นชุดอะไรนะคะก็เป็นชุดเวียดนามซึ่งเวียดนามเนี่ยเขาจะมีกระดุมแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะชุดของเขาแต่ว่าอันนั้นมันจะใส่ยากเราก็เลยทําซิปจากข้างล่างมาถึงข้างบนอีกเหมือนเดิมฮ mm hmm. ะนั้นทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดมันก็ไม่มีอะไรที่จะกังวลใจนะคะบอกอะไรกับใครก็บอกไปแล้ว แคะาของที่บ้านก็เก็บเมื่อไหร่ที่ ca หนึ่งสองห้าขึ้นก็เก็บทำห้าศอจนบางครั้งเก็บเสื้อผ้าอยู่สามีจะมาถามว่าเลือดขึ้นเหร อ, หอร <laughs> นะคะคือถ้าเราเตรียมพร้อมอย่างนี้แล้วเราก็มีมีอะไรที่ออทั้งขานเนี่ยมันจะมาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะท่านอาจารย์จุมารีสอนว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะแล้วสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยก็ได้นํามาใช้กับ ความเจ็บป่วยจนกระทั่งมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะก็คือการกําหนดจิตจิตของเราท่านอาจารย์สุมารีสอนว่าจิตของเรารับรู้ทีละหนึ่งงั้นตอนที่ให้คีโมบําบัดแต่ก่อนเนี้ยตอนที่ให้ที่หลังไขแค่ค้าวอาสมรีมาเช็ดเท่านั้นเองก็สะดุ้งและพอเข้าเอาเข็มเข้าไปก็ร้องไห้ล้นะคะตอนนี้ถ้าเรากําหนดย้ายความรู้สึกแขนด้านนี้ที่ ที่จะให้เขาให้มามาเจาะให้คีมโมเนี่ยก็ยกแขนขั้นนี้ให้คุณพยาบาลไปแล้วเราก็กำหนดความรู้สึกไว้ที่ผนังหน้าท้องนะคะก ำ, กำหนดความรู้สึกของการยุบการพองเมื่อจิตมารับรู้ตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยจะน้อยลงงั้นก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้นะคะจากวันนี้ไปอาทิตย์หน้าต้องไปให้อีกหกเข็มนะคะ ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเราก็เคยชินแล้วแล้วก็เคยชินกับเขานะคะแล้วก็ความทำความคุ้นเคยกับความตายมานานแล้วนะคะทุกวันก็เตรียมตัวแต่งตัวให้พร้อมรอรถมาลับนะคะรถมาลับเมื่อไหร่เราก็ไปแล้วก็กาหนดอาจารย์ท่านสอนให้กำหนดจิตสุดท้ายเป็นจิตที่สำคัญ กำหนดจิตให้สงบปล่อยวางทุกอย่างนะคะแล้วเราก็จะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะก็อาจจะขึ้นไปรับใช้ข้าใยญนสมารีอยู่เบื้องบนค่ะขอเสมปลบมือให้กับท่านหน่อยนะค่ ะ, ค, ะคือฟังไปฟังมานี่โรงพยาบาลกับวัดเนี่ยจะทำหน้าที่คล้ายกันนะคือสอนให้คนได้มีธรรมะมนึกถึงคำ ว, ว่าบ้านวัดโรงเรียนนะครับต่อไปจะเป็นบ้านวัดโรงพยาบาล แต่จริงๆผมว่ามันสําคัญนะครับบางครั้งบ่อยครั้งมื่จะันได้ยินคนพูดถึงว่าเราเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนะครับผมว่าคํานี้ก็คงจะจริงแต่ว่าคนที่มีปัญญาจะเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ก่อนว่าก่อนที่มันจะเกิดความทุกข์กับตัวเราแต่ผมคิดว่าการที่เราจะเผยแพร่ข้อมู ล, ลต่างๆเหล่านี้ออกไปที่สุดแล้วเนี่ยพลอยทีมแคร์มันคือการประครับประคองใจงนี้จันทร์มันเป็นว่านตั้งนานแล้วผมคิดว่าใจเนี่ย ก็เป็นของเราเราต้องดูแลใจเราเองแต่จะดูแลอย่างไรเนี่ยผมว่าได้คําตอบจากทั้ง3ท่านพอสมควรนะครับถามอาจารย์วันเพ็ญ น, นะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผมพิดว่าถามแบบพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครความทุกข์ที่โรคอะไรที่ทําให้คนเนี่ย เ, เป็นทุกข์ได้มากที่สุดและจาะเห็นอากัปกิริยาการทุทรนทุรายของผู้ที่ทุกข์ทรมานท่านบอกสิ่งที่ความป่วยนั้นไม่ทําให้เราทุกข์ได้เท่ากับความคิดว่าความกลัวความทุกข์นมันมากกว่านะครับ แล้วอาจารย์มีกุศโลบายหรือมีวิธีการอะไรที่จะช่วยทำให้เขาได้เกิดพลังใจในการที่จะดูแลตัวเองก็ดีดูแลผู้ป่วยก็ดีครับก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณทั้งคุณอําพลทั้งคุณนองรัก<ม>เป็นครูที่ดีสำหรับพวกเราแพทย์พยาบาลนะคะอันนี้เดีเป็นเป็นตัวอย่างที่ล้าเลิศจริงๆนี่ตอบคาถามคุณแทนคุณนะคะ ถ้าเบื่อจะถามว่าอะไรทุกที่สุดตอบไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันรู้สึกไม่เหมือนกันความเจ็บปวดเนี่ยแต่ละคนบางคนก็ทนได้เยอะบางคนก็ทนได้น้อยบางคนนิดเดียวก็ก็แทบแย่แล้วแต่บางคนโอ้โหเราเห็นว่า ห, หนักหนาะสาหัสทนได้ยังไงเพราะงั้นอันนี้นี่ขึ้นกับขึ้นกับบุคคลจริงๆ แล้วบุคคลเออถ้าเผื่อเราพูดก็คงขึ้นกับจิตใจนั่นเองนะคะอย่างที่อมพลพูดเดน้นเห็นเลยว่าความอดทนนี่เป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งยวดในบารมีสิมีคําว่าขันติบารมีใช่ไหมคะแล้วขันติบารมีนี่ถือเป็นธรรมอันสูงสุดที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จทุกๆอย่างครับในการเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเนี่ยต้องมีความอดทนมากๆ นะคะแล้วกอ็อผู้ดูแลคุณนงลักเคยเป็นผู้ดูแลออคนที่ผู้ดูแลคนป่วยนะคะอย่างที่เราบอกเรามี็นกริยาณมิตรเราก็รู้ว่าท่านต้องอดทนกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราป่วยแล้วยังคิดไม่ตกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเออความอดทนนี่เป็นเรื่องที่ที่เราคงต้องฝึกฝนกัรละมังนะคะนี่ในฐานนะที่ตัวเองเป็นหมอแต่ก่อนต้องยอมรับเลยว่า ยังไม่เข้าใจตรงนี้ตั้งกร่ไมหมอโซาสาว <laughs> นะคะยิบ 20-30 ปีก่อนนู้นไม่นานเท่าไหร่ขอบคุณค่ะแต่อาจจะด้วยตัวเองมีเชื่ออยู่บ้างนะคะในการที่คุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดแล้วก็ เ, เพื่อนฝูงกัญยาณมิตรมา เ, าเข้าปฏิบัติอะไรอย่างนี้่าค่อยๆนั่นมาตรงนี้ตัวเองจะเป็นคนที่คอนเซิร์นคือคือคือเอาใจ เป็นห่วงคนอื่นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มเป็นหมอใหม่จบใหม่ก็มีความรู้สึกว่าทำยังไงนะถึงจะให้เขาหายทุกทำยังไงนะถึงจะให้เข า, เ า, เาสบายที่สุดทางท่านที่ตอนนั้นความรู้ก็ยังไม่มากท<ช>ักษะต่างๆก็ยังไม่เพียงพอแตเ่เราก็เราก็ทุกตัวเราสิคะเพราะว่าอย่างเห็นเด็กเด็กเป็นสมองเป็นรรนโรค<ช>นอนแข็งทื่อไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างนี้ เราก็ไปยืนดูแล้วก็บอกเอ้เราจะช่วยเขายังไงเนี่ยแต่ก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี่ก็ยังอยู่อ่ะก็ก็เข้าไปก็ไปเข้าไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใจมันก็พวักพวนอ่ะตอนนั้นมันยังไม่เข้าใจไงคะแต่ก็เห็นพ่อแม่เป็นทุกข์ก็คุยกับเขาตอนนั้นก็ยังปลอบคนไม่ค่อยจะเป็นแต่ก็มีความรู้สึกว่าเออการที่เราอยู่กับเขาแล้วก็ให้เขาได้เห็นเรามันก็ช่วยไปส่วนหนึ่งอันนี้ก็อยากจะบอกว่า เอออันนี้ก็เรียนถามทั้งสองท่านบางทีหมอกับพยาบาลบางทียังไม่ทันทําอะไรแต่มาดูเราก็รู้สึกใจชื้นขึ้นหรือเปล่าคะใช่คะ่ะคืออย่างน้อยไอ้ออความความเข้ามาหาการที่อมาดูแลหรือมาพูดอะไรนิดหน่อยก็ยังดีใช่ไหมคะตอนสมัยเป็นนักเรียนแพทย์คุณแทนคุณตอนนั้นเป็นนักเรียนแพทย์ปีสความรู้ก็ไม่มากาไปเจอคนเป็นมะเร็งตับสมัยก่อนนั้นไม่ยังมีการรักษา ในในการรักษาใช้แต่วิตามิน B Complex แล้วก็ให้ทาน อ, อ, อาหารแป้งเยอะๆอะไรพันอย่างเงี้ยแล้วก็นอนเราก็ไปคุยกับเขาก็เห็นว่าเขานะเนี่ยจะทํำยังไงก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไงไงคะแต่ก็ไปคุยกับเขาความเป็นนักเรียนแพทย์ต้องต้องโปรเกรสโนตเราก็ต้องไปคุยแล้วก็ต้องนั่นอะไรมาคุยไปคุยมาก็เลยกลายเป็นคุยเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรท่านก็เลยพูดอะไรอะไรให้ฟัง ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเออท่านก็ดูสบายขึ้นแต่ก็ยังไม่เข้าใจก็เลยมีความรู้สึกว่าเออพวกเราแพทย์พยาบาลนอกเหนือจากวิชาการหลักวิชาการที่แม่นยําที่เราทักษะที่ดีที่เราช่วยใจเราที่ใหเออ้เต็มที่แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีไ อ, อ้อะไรที่มากกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะเข้าจิตใจคนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าจิตใจตัวเราเองก่อนถูกไหมคะเราต้องมองเห็นใจเราก่อนนะว่ามันเป็นยังไงเราถึงจะเข้าใจจิตใจคนอื่นได้<ม>เพราะว่าอย่างที่ท่านบอกว่าใจกับกายมันแยกกันนะ<ม>ครูบาอาจารย์เวลามาเยี่ยมไข้ก็จะต้องบอกใจเป็นยังไงกายให้หมอเขารักษานะเจ้ารักษาใจเอาไว้รักษาใจให้เป็นสุขภาวนาเอาไว้พดทอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราก็มามองดูว่าเออจริงนะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเออเราเองเวลาที่เราดูผู้ป่วยไปราไปอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องให้เขาเห็นเลยว่าจิตดวงนี้เนี่ยมันไม่เคยเจ็บมันไม่เคยตายมันไม่เคยป่วยจิตก็คือจิตนะคะตายนี่ก็เป็นอีกเรื่องันเรื่องหนึ่งอาจจะจะมองดูเป็นธาตุดินน้ํำลมไฟก็ได้เพราะว่ามันก็คืออย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะ เพราะว่าถ้าเผื่อเรามองดูอย่างนี้แล้วเราจูงคนให้มองดูอย่างนี้ความห่วงกายมันจะน้อยลงแต่เราจะไปเพ่งริงที่ตัวจิตมากขึ้นแล้วจากตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณนงรักษ์บอกอะจิตเป็นหนึ่งอะนะพอเราเอาเข้ามาดูตรงนี้เนี่ยบางไอ้ควานปวดทุกเรามันได้อาจารย์อมรานี่เคยพูดเสมอเลยบอกวันทีเราจับลมหายใจจับไม่ได้เลยไม่ได้อะไรก็ได้หยดน้าเกลือก็ได้ ให้จิตมันวางอยู่ที่ตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็ท่านบอกว่าใช้มอร์ฟีนอะ่ะต้องขอหมอฉีดแทบทุกชั่วโมงเลยอะ่ะพอท่านไปนั่งแล้วจับมือแล้วบอกเอาแล้วนะเราไปด้วยกันแล้วก็ช่วยกันเพราพอนั่นขึ้นไปไปรากฏว่าพอจิตสงบปเป็นสมาธิการเจ็บหวยคลายตอนหลังมอร์ฟีนลดลงเรื่อยๆจนกระ ท, ทั่งแทบจะไม่ต้องขอเลย เพราะงั้นเราทุกคนนะคะเนื่อเชื่อว่าแพทย์กับพยาบาลทุกคนเราตระหนักถึงตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชเรามีภาริเอตีฟแค่ดิแข็งโดยจารย์รุ่งนิรันด์เป็นหัวหน้าเนี่ยเรารู้สึกแล้วก็พยาบาลเป็นกำลังของเราอย่างดีมากๆก็เลยมีความหวังว่าเราจะดูผู้ป่วยได้ได้เต็มที่ขึ้นนะคะ อ, อ, อย่างที่คุณอมพลที่พูดเนี่ยเดียนเหวียนแล้วโอ้โหท่านต้องมีอะไรของท่านที่เป็นอยู่ดั้งเดิมโดยท่านไม่รู้ตัวความเป็นครูเนี่ยเป็นบุญกุศลอยู่มหาศาลถูกไหมค ะ, ะในขณะที่ท่านตกลงไปตรงนั้นเนี่ยท่านยังมีสติสติอย่างมากๆและสติที่ท่านคิดได้ตรงนั้นเนี่ยจิตมันรวมเป็นหนึ่งแล้วนะคะคือความสงบ เราตรงนั้นที่ท่านบอกว่ายืดชีวิตขึ้นแต่ถึงแม้กระนั้นทุกท่านก็ต้องทราบเลยว่าเวลาที่เราทนทุกทรมานเนี่ยมันเป็นวิตกกังวลเราต้องผ่านเฟสอันนี้ต้องผ่านระยะนี้ทุกคนนะคะยกเว้นท่านที่ทํามาแล้วอย่างดีแต่คนธรรมดาต้องผ่านเจ็บปวดรวดร้าววิตกกังวลคิดนูน่นคิดนี่อะไรทั้งหลายอย่างที่ท่านเล่าอย่างชัดเจนทั้งสองท่านเนี่ยนะคะ ในผู้ป่วยปกติทั่วไปก็ต้องมีระยะนี้สุดแต่ระยะสั้นหรือระยะยาวแต่ถ้าท่านมีบุญกุศลของท่านอยู่หรือท่านได้พบกรลยา น, นมิตรแต่เชื่อว่าจิตของท่านต้องดีอยู่เนี่ยจะนำพลิกผันทำให้ท่านเนี่ยกลับมาสู่จิตที่เป็นธรรมได้ทีนี้เราเป็นห่วงคนที่ ออก็มีเยอะเหมือนกันนะคะคชนิดที่เราให้พยายามจะช่วยแต่ก็ไม่รับพยาบาลทั้งหลายคงเคยเจอใช่ไหมคะคเพราะว่าเรามีจิตใจที่ดีมากๆท่านไม่รับ嘛จะทํำยังไงครูบาอาจารย์อาจารย์อมราก็บอกบอกว่าเราทําตัวเราแล้วกันคือเราคือเราผู้พยาบาลหรือผู้เป็นหมอเข้าไปก็ ให้แตออออออ่สิ่งที่ดีกับท่านแต่ถามท่านซะหน่อยว่าท่านชอบอะไรบางทีท่านไม่อยากฟังเพลงสุดมนต์ไม่อยากทำสมาธิแต่ท่านอยากจะฟังเพลงหรือท่านอยากจะนึกถึงอะไรก็ได้บอกบางทีนึกถึงอะไรอย่างหนึ่งที่ท่านชอบขอให้นึกถึงตรงนั้นเท่านั้นนะ <S S S S จิตท่านจะเป็นสุขและเอาตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้น <S S S ก่อนที่จะนาไปสู่อย่างอื่นอะไรก็ได้ให้ตรงนั้นก่อน นด่นกำลังมออีพี่สาวคนหนึ่งทุกคนซื้อวิทยุไปให้ฟังเทพพระไม่เอาเลย mm hmm. ไม่เอาไม่เอานึก mm hmm. เรายมบอกบอกว่าถ้าผืองั้นอยากทําอะไรละ่ะ mm hmm. อยากฟังเพลงสุนทรภพร์ mm hmm. ก็เอาสุนทรภพนมาให้ฟัง mm hmm. คืออะไรก็ตามที่นั่นก่อนค่อยๆตามใจก่อนแล้วก็ตรงนี้แบบอย่าไปขัดใจอย่าไปนั่นอะไรทีนีออ้ตรงนี้เราก็ค่อยๆทะนะคะ ยันคิดว่าอาจจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่ดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะทุกๆ ท, ท่านไม่อย่างงั้นจิตเราที่อยากจะให้เขาเนี่ยมันกลายเป็นเครียด hmm. เพราะงั้นถึงที่คุณแทนคุณน่าทราบนะพอพอเราเครียดแล้วไอ้กระแสะเครียดเนี่ยมันออกนะมันเป็นคลื่นออกไปกระทบกันเลยลเพราะงั้นเราต้องทําใจเราให้สงบก่อนให้เราเย็นก่อน hmm. แล้วตรงนั้นค่อยๆไป ค, ค่อยๆไปและเขาบอกว่าสําคัญที่สุดคือแผ่เมตตา mm hmm. เพราะงั้นตรงนั้นปั๊บเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้ท่านคเพราะงั้นคนไข้ทุกๆคนขึ้นวอดเราแผ่เมตตาให้ก่อนได้เลย mm hmm. ให้กำนินสุขให้เขาคลายตุกกันได้อ่ะใช่ไหมคะแล้วก็มันดีเสียเวลาอะไร ใ, <ช>ในเวลาที่เราทํา mm hmm. อะไรของเราในหน้าที่ต่างๆหรือแม้แต่เมือพ่อแม่พี่น้องที่ท่านยังไม่รับเพราะงั้นตัวเมตตานี่เป็นตัวสำคัญมากๆที่เราอาจจะต้องให้ นะคะโดยไม่มีขีดจํากัดครับแต่เราจะมีตรงนั้นตัวเราต้องเมตตาตัวเองเป็นนะคะแล้วให้ตัวเองเป็นสุขซะก่อนอันนั้นก็จะได้เป็นตัวเมตตาที่เราให้ผู้อื่นได้หรืออย่างเยือกเย็นเป็นสุขเข้าที่พอดีครับค่ะหลับไปเยอะทีเดียวอาจารย์ใช่พอดีครับด้วยความเมตตาคือเมตตาลูกหน้าซึ่งฉันได้ผลนะฮะคือการแผ่เมตตาลูกหน้าเวลาจะทําอะไรจะเจออะไรจะสิ่งต่างๆก็แผ่เมตตาไปบ่อย ทำทุกวันแต่มันต้องมีต้นทุนบางอย่างคือเรื่องของศีลผมสังเกตนะฮะยิ่งมีศีลเป็นเครื่องรักษาคือเป็นต้นทุนนะฮะเราจะขออะไรจะส่งให้ใครจะอะไรมันต้องมีต้นทุนซึ่งมันก็ต้องเริ่มจากความตั้งใจของเราก่อนที่เราจะบ่มเพาะตัวเองนะครับขัดเกลาตัวเองฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยจริงๆหลักการฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยนะครับก็บอกความสุขจะทําให้เกิดสมาธิ นะครับความสุขจะทําให้เกิดสมาธิเพราะว่ามีความสุขจะทําให้ต่อต่อเนื่องเช่นคนเล่นไพ่มีความสุขนะฮะก็จะเล่นอยู่อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันคนที่ทํางานตรงนี้เนี่ยฮะถ้าเรามีความสุขเราก็จะมีสมาธิจดจ่อก็อาจจะเป็นสโลแกนสำหรับพลเรือทีมแค่ก็ได้นะครับความสุขของผู้ขขขอื่นมีความสุขของเราเราจะมีความสุขบนความสุขของคนอื่นเนี่ยมีความสุขบนความสุขของคนอื่นเห็นคนอื่นมีความสุขเราจะมีความสุขเห็นเขาทุกข์เราก็ ช่วยให้คนทุกข์ให้ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับต้องอยู่ในและอยู่เหนือให้ได้อยู่ในคือนนอารมณ์ร่วมถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับพลังแห่งความเห็นใจเอ็ a บัตตมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับผมว่าพลีทิฟแคมอาจจะเริ่มจากความเห็นใจแล้วก็นําสู่การเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็นำมาสู่การที่จะยกระดับจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ตรงนั้นให้ได้นะครับนี่ก็ ผมอยากจะแลกเปลี่ยนสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับท่านที่อยู่ข้างล่างมีใครอยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมครับเผื่อว่าเจอคนในครอบครัวเจอใครหลายคนที่ทนั่นขึ้นมาแล้วก็อยากจะถามวิยากรทั้ง3ท่านไหมครับผมเองมีโอกาสได้ดูแลคุณพ่อที่เสียไปนะครับท่านก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์นะครับแล้วก็ตอนหลังก็ท่านอดทนมากนะฮะท่านก็ไม่ค่อยยอมรักษาที่ไหนนะครับ แล้วก็ตอนหลังก็เป็นหลายโรคนะฮะหลายโรคคือมีโรคเส้นเลือดตีมนะฮะแล้วก็ความดันอะไรต่างๆก็ดูแลถามท่านเยยันเคยยอท่านไปหาหมอไปรักษาท่านก็ไม่ยอมไปจนกระทั่งวันดีคืนดีคุณแม่ก็คัดคันถามว่าทําไมถึงไม่ยอมไปไม่รักตัวเองไม่รักครอบครัวหรืออะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเนี่ยท่ารู้ตัวว่าท่านอ่ะอยู่ได้ไม่นานแทนที่ท่าจะเสียเงินไปรักษาตัวเนี่ยท่านบอกว่าเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยว่าให้ลูกเรียนหนังสือดีกว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าผมคิดผมก็เลยคิดว่า ความรู้สึกของการให้เนี่ยคิดที่จิตที่คิจะให้เนี่ยมันสูงส่งมากจนบางครั้งก็มองข้ามพ้นความยึดติดในตัวเองความทุกข์ของตัวเองได้ถ้าคนแต่มันหมายความว่าเราเองเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถทําถึงจุดนี้ได้นะถ้าเราสัมผัสเหมือนที่อาจารย์กัพลบอกนะฮะมันมี2 ส, ส่วนที่สําคัญมากคือวิธีคิดของตัวเองและโยนิโสมนสิการความแยบคายตัวเองกับประโตโคลสะคือสิ่งที่สัมผัสจากผู้อื่นหรือหรือกัลยานามิตรสิ่งแวดล้อมอ่ะ 2องส่วนนี้เพราะนั้นคนที่จะให้คนอื่นได้เนี่ยเราต้องให้ตัวเองในแง่ของการที่ให้ความเข้าใจของตัวเองจนหนักแน่นพอพึ่งตัวเองให้ได้อพูดง่ายๆพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็กลายเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะครับแล้วมันจะสมดุลเน่ยเหมือนเรามี2เท่าอ่ะเราพึ่งตัวเองได้ส่วนหนึ่งเราเป็นที่พึ่งของได้อีกส่วนหนึ่งกับคนที่พึ่งตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาก็จะรับส่วนส่วนต่างของเราไปเติมเต็มพอดีครับท่านอื่นมีอะไรอยากจะถามไหมครับฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหครับจะได้เสียง พอเราถีแชร์ของเราอดๆแอน ๆ, ๆนะครับแล้วเสียงหัวเราะเป็น ค, นครั้งคราวนะครับหน้าที่หลักของท่า น, น <_ d ata> มีมีอะไ ร, าไรถามแลกเปลี่ยนกันได้เพรา ะ, ะนั้นงั้นกลับมาถามอาจารย์กำพลนะครับผมว่าคนที่จะจ ะ, จะเข้าถึงสิ่งที่จาจารย์เป็นเนี่ยไม่ไม่ง่ายหรือคนจริงๆทุกคนมีศักยภาพที่เข้าถึงไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าจะสนใจจะใส่ใจมันมากน้อยแค่ไหนว่าโดยย่อแล้วมันคือการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมก็แล้วแต่แต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าอย่างอาจารย์เนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยคงไม่มีปัญหาแน่นอนคือกายเวทนาจิตเนี่ยแต่ส่วนของธรรมะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้นั่นนะครับหมายความว่าถ้าคนอื่นด้วยเนี่ยการจะเข้าถึงแก่นของธรรมะใ น, ในการเจริญสติขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยผมว่าอาจารย์ก็เข้าถึงอยู่แล้วด้วยนะครับอยากจะให้อาจารยไ์ได้สอนพวกเราหน่อยว่าสติปัฏฐานในข้อที่4ี่ซึ่งเป็นธรรมานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเราควรจะพิจารณาอะไร หรือเราควรจะทําความเข้าใจกับอะไรความเข้าใจอยู่กับสภาวะจิตของมันซึ่งมันจะมันจะทับซ้อนกับจิตตาหรือเปล่าหรือว่ามันจะยกระดับไปสู่วิธีคิดซึ่งผมคิดว่ามีคนก็บอกว่ายิ่งคิดยิ่งไม่รู้หรอกจะรู้ก็ต่อเมื่อหยุดคิดแต่ก็ต้องอาศัยความคิดหรืออย่าไปรู้เรื่องที่คิดแต่ให้รู้ว่ากําลังคิดนี่ผมก็เลยสงสัยถามต่อตรง น, นี้แล้วกันเผื่อว่าคนที่ทํางานอยู่ซึ่งไม่ได้ป่วยจะได้เห็นคุณค่าของธรรมะมากขึ้นแล้วก็นํามาสู่การปฏิบัติอย่างอย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นครับ ธมานุปัสสนาสติปัฏฐานการมีสติอยู่กับธรรมะฟังหัวข้อแล้วผมจะมากล่อมหรือเป่า เ, เอาถ้าผมพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยให้กลับมาดูตัวละเองนะถ้าดูตัวละเองแล้วรับรองมันไม่ค่อยหลับหรอกที่หลับเพราะว่ามวแต่ฟังที่จริงหมวดสติปัฏฐานสเนี่ยมีหมวดกายเวทนาจิตธรรม หมวดกายเวทนาจิตมันก็แยกออกไปคนละส่วนกายคือร่างกายนะเวทนาคือสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นจากกายหรือจากจิตใจส่วนทางจิตคือจิตล้วนๆ <c oughs> นะมีสามส่วนที่มีอยู่แล้วในตัวเราส่วนหมวดธรรมะนั้นเป็นหมวดใหญ่คือรวมทั้งหมดเลยกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ และทั้งสิ่งภายนอกสิ่งภายในทั้งคนอื่นและตัวเราชั่วเป็นหมวดธรรมะทั้งหมดเลยเราสามารถมีสติอย่างรู้ลงไปที่อาการของสติปัฏฐานสีได้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ติดไม่ใช่ธรรมอันนั้นคือสิ่งภายนอกแต่สิ่งสำคัญก็คือ ตัวจิตผู้รู้นี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดการภาวนาการปฏิบัติธรรมการทำที่สุดแห่งทุกข์นั้นไม่ใช่ทำที่กายเวทนาจิตหรือธรรมะแต่ทำที่จิตใจที่เป็นตัวผู้รู้นี่เองพัฒนาตัวเนี้ยให้มันรู้ทันให้มันรู้ทันกายของเราให้มันรู้ทันจิตหรือความปรุงแต่งคิดนึกของเราเพียงแค่ให้รู้ทัน การพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาให้มันจเจริญเนี่ยมันต้องเริ่มจากที่จิตใจเราเพราะนั้นการที่จะรู้ทันอารมณ์พวกนีเ้เหล่านี้ได้เนี่ยจิตจะต้องเป็นปกติจะต้องเป็นปก ต, ต, ปปกติไม่ใช่ว่าจิตวุ่นวายฟาาุ้งซ่านหรือมีความคิดมากมันก็จะไม่รู้ของจริง น, นั้นจิตต้องเป็นปกติการมีสติสตินี่ตัวสำคัญนะถ้าสติไม่เกิดเนี่ย ความคิดที่แยบคายก็ไม่เกิดขึ้นอาจจะมีสติจากการฝึกหรือสติโดยธรรมชาติก็ได้ถ้าสติโดยธรรมชาติอาจจะไม่ค่อยแยบคายเพราะว่าเรามักจะอาศัยสติธรรมชาติเนี่ยอาศัยวิธีคิดที่มีประสบการณ์หรือได้เห็นมาหรือได้ฟังมาแต่สติตัวที่แท้จริงนั้นมันเกิดจากความรู้สึกล้วนๆที่ปราศจากจิตที่ปรุงแต่งไม่ใช่จิตปรุงแต่ง เป็นจิตบริสุทธิ์สติที่เป็นสติจริงนั้นคือมันจะเป็นสภาพที่เป็นปกติเป็นกลางสติธรรมที่แค่รู้นะช่วยจิตให้มันรู้เนี่ยอันนี้คือตัวล้วนๆขึ้นมาส่วนจะคิดแรงต่างนั้นขึ้นอยู่กับจิตผู้รู้นั้นมันจะบริสุทธิ์ขนาดไหนเหมือนแก้วที่ใสเหมือนน้ำที่ใสมันก็มองเห็นที่ ลึกๆได้ถ้าจิตไม่ล้วนจิตที่คิดปรุงแต่งนั้นเหมือนน้าที่ขุ่นก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการที่จะดูตัวเราดูกายก็ดีดูเวทนาดูจิตก็ดีดูธรรมะ ก, ก็ดีขอให้ดูในจิตใจที่เป็นกลางๆเป็นปกติรู้ซื่อๆรู้เฉยๆดูเฉยๆโดยที่ไม่มีความคิดเห็นอะไรรู้แบบไม่มีความเห็นอะไรรู้แบบไม่ว่าอะไรรู้แบบไม่เอาอะไรรู้เพื่อที่จะรู้รู้แบบไม่ต้องรู้อะไร ไม่ถึงว่าไม่ต้องมีความคิดเข้าปรุงแต่เราจะสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้เรียนรู้ความจริงได้ เ, เพราะนั้นการที่จะรู้อะไรประชัดเจนนั้นต้องรู้ในจิตที่เป็นปกตเิเราจะเห็นความจริงของมันคนเราเนี่ยจะดูแล้วก็ตามเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ดูเราเราเป็นผู้ทําไปทั้งหมดเลยถ้าเราเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ดูเนี่ย เราจะได้ความรู้อะไรมากมายนะการสังเกตการกับการทําการเนี่ยมันต่างกันถ้าเข้าไปทําการเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องเลยเนะข้าไปเกี่ยวข้องนี่นั่นหมดเลยแต่ไปพูดสังเกตการเนี่ยจะเก็บข้อมูลได้มากมายเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ความจริงของตัวเราเพื่อความประตูเราก็ขอให้รู้ได้ใจที่เป็นกลางกลาง<ม>โอกายเขาแสดงอาการอย่างไรให้รู้ไปอย่างนั้น มันจะคิดนึกปรุงแต่งอะไรให้รู้แบอย่างนั้นให้รู้แบบเป็นผู้ดูรู้แบบเป็นเพื่อดูอย่าเข้าไปเป็นผู้แสดงหรือผู้เป็นจะเป็นผู้ดูด้วนั้นต้องรู้แบบห่างฮาแล้วเราขณะที่เราเป็นผู้ดูเนี่ยเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเหมือเช่นเวลากายมันป่วยจิตที่ไม่มีสติก็จะเข้าไปเป็นผู้ป่วยกับกายรวมเป็น1เดียว ถ้าติดที่มีสติอยู่ด้วยก็จะเป็นแค่ผู้ดูเห็นกายป่วยไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้ป่วยเมื่อเกิดทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นแม้จะรูแลแนละ้วก็ตามคนที่ไม่ได้ฝึกสติก็ใช้วิธีการคิดคิดมองในแง่ดีคิดเปรียบเทียบคิดสารพัดเพื่อจิตนี่มันออกจากความ เวยหรือทุกขเวทนาแต่คนมีสติเนี่ยคนฝึกสติเอาไว้เนี่ยจะแยบคลายกว่า น, นั้นเหมือนที่อาจารย์ท่านบอกว่าเราสามารถที่จะย้ายจิต <c oughs> จากทุกขเวทนาเนี่ยไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้เสียงเพลงก็ได้สดบลก็ได้แล้วแต่เราจะชอบเราชอบคนที่แจ๋วเราก็นึกถึงแจ๋วแจ๋วใจมันก็แจ๋ว ส่งใจไปหาแฉลวมันก็ลืมเวทนาทางกายคนมีสติเนี่ยจะแยกคลายกว่านั้นจะสามารถรักพาจิตสตินี่รักพาจิตนะรักพาจิตไปอยู่กับจิตที่เป็นกุศลได้สิ่งที่ปลอดภัยเพราะนั้นสติที่แท้จริงนั้นเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจทั้งหมดเลย ว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างไรเพียงแต่เป็นผู้ดูเมื่อจิตโกรธเราไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธสติทําหน้าที่เห็นมันโกรธตอนนี้สติกับจิตรวงกันแล้วนะรวงกันแล้วนะเห็นมันโกรธจิตไม่ใช่เป็นผู้โกรธสติไม่โกรธแต่ความคิดเนี่ยมันโกรธเห็นมันโกรธไม่ได้ไปเป็นผู้โกรธเห็นไหมพ้นออกมาแล้วแค่พลิกฝ่ามือเป็นหลังมือนั่นเอง เวลาจิตมันกลัวเห็นความกลัวเห็นมันกลัวเราไม่ได้เป็นผู้กลัวนี่หายตัวไปเป็นผู้ดูเลยผู้ดูไม่มีตัวแต่สามารถมีสติปัญญารู้ท่าทานตรงนั้นได้เนี่ยการฝึกสติบ่อยๆเนี่ยจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมก็ได้ฝึกบ่อยๆสติล้วนๆเนี่ยมันจะแยกตัวออกมาอยู่ด้วยกันนะแต่มันแยกออกมามันน่ากันมันซึ่งไม่รวมกัน จะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าความคิดหรือการปรุงแต่งต่างๆมันจะเวียนอยู่รอบนอกมันจะเข้าไม่ถึงจิตหรอก่จะเข้าไม่ถึงจิตตัวเองก็เคยป่วยนะเคยป่วยะระยะหลังเนี่ยเมื่อก่อนก็ป่วยมานานระยะหลังนี่ก็เป็นไวรัสตับอักเสบซีไวรัสตับอักเสบ ซ, ซีเข้าขั้นตับแข็งเน่มันก็มีเวทนาเวทนาไม่ใช่ที่ตับ แต่เวทนาเกิดจากการฉีดยาเข้าไปฉีดยารักษาวไวรัสตับอักเสบเพราะฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้ผลข้างเคียงมีสารพัดเลยเริ่มตั้งแต่เป็นไข้หนาวสันเ่คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารเนี่ยอนไม่ค่อยหลับอารมณ์แปลปรนแต่จิตไม่แปลปรนนมีสติรู้มันเนี่ย มันเหมือนเป็นของใหม่เวลาผมเป็นไข้เนี่ยผมไม่ทานยานะผมนอนห่มผ้าแล้วทำสั่นฮือๆเราต้องตามใจมันนะมันจะหนาวจะสั่นก็ต้องสั่นกับมันใจมันไม่สั่นแต่กายมันสั่นถ้าเราไปฟื้นไปอะไรเนี่ยมันเครียดมันกายมันอยากกระบายออกให้มันระบายออกเราก็นอนคุมโป่งโผล่จมูกไว้หน่อยใส่หมวกแล้วก็สั่นดูเอมันเป็นของใหม่สหรับเราเราไม่เคยสั่นแบบนี้เนาะ หมอบอกสั่นเราก็ต้องสั่นหนาวสั่นไม่กินยานะพอฉีดยาเสร็จจะไม่ได้มีอาการไข้เลยผมเตรียมผหอมละเดี๋ยวจะหนาวสั่นให้ดู <Yeah. S 1> แล้วพอเราเตรียมใจไว้ก่อนเนี่ยทุกเวทนามันผ่อนคลายนะใจมันอิสระเลยบางทีเราก็ เ, ออเราลองแอบรักพาจิตหนีไปร้องเพลง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นะ <Yeah. S 2> ก็อลองใช้จิตไปร้องเพลง <Yeah. S 2> หรือจะอาจจะใช้จิตไปสวดมนต์ไปนึกถึงคําสอนผู้เจ้าที่ไปสอนพระติสะเถระ ที่กำลังอาพาธหนักอิสระท่านสอนว่ากายแม้กายจะกระสับกระสายแต่ใจเธอจะไม่กระสับกระสายเราออตรงนี้เองเนาะบางทีเราก็อาศัยวิธีการดูเฉยๆหรือ ร, รูแบบไม่สนใจไม่ใส่ใจใครมาพูดคุยก็คุยได้ก็คุยกับใจเราไม่ได้คุยกับกายเราล้วก็ทำหน้าที่สั่นไปนแล้วใจเราก็เป็นปกติ เพราะฉะนั้นสติเนี่ยมีคุณมีคุณประโยชน์มากเลยมันสามารถลักพาจิตไปอยู่ที่ปลอดภัยก็ได้กุศลก็ได้แล้วยิง่งหนีออกมาบ่อยๆแยกไปไว้เจะรู้ทันสิ่งที่เราหนีมาหรือทิ้งมานั้นมันไม่ใช่เรามันเพียงแค่เรือที่เราอาศัยมันผุมันพังมันโทมแล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราสามารถใช้จิต อิสระกับการทำหน้าที่เนี่ยชีวิตจะมีความสุขมากจิตอิสระได้นั้นต้องมีสติและก็รู้ความจริงว่าไอ้ที่เป็นอย่างนั้ น, นมันไม่ใช่เราเป็นเนี่ยขึ้นอยู่กการฝึกนะฝึกในชีวิตประจาวันนี่นะละผมเองก็วันนี้เป็นวันพาราทีปแคร์เนี่ยผมไม่อยากเป็นคนไข้นะผมอยากเป็นพาราทีปแคร์เพราะทุกวันเนี่ยผมก็ทำหน้าที่เหมือนพาราทีผมมีคุณแม่คนหนึ่ง คุณแม่นี่ท่านป่วยหนักยนะิ้ไม่ช้าก็ตายไม่ได้แช่งมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะท่านอายุ82ปีเริ่มจากเส้นเลือดอุดตันในสมองนะสมองก็จำอะไรไม่ค่อยได้โรคหัวใจหัวใจไฟฟ้าเต้นผิดจังหวะแล้วติดเชื้อที่ปอดเดินไม่ได้เป็นอมัมพาตนอนอยู่บนเตียง อ น, นี้กําลังน้องสาวกําลังดูแลอยู่พี่สาวกาลังดูแลอยู่ผมไปเยี่ยมท่านผมทําหน้าที่พรเริตแค่ผมช่วยอะไรทําไม่ได้หรอกแต่ว่าช่วยทางด้านจิตใจไปคุยคุณแม่คุณแม่ก็ก็ดีใจที่เรามาท่านเคยสวดมนต์เคยภาวนาท่านไม่ทําเลยนะท่านไม่ทําเราก็ไม่ตื้อท่านเพราะเราดูแลใจท่านไม่ใช่ดูแลใจเรา เอาใจท่านไม่ใชเอาใจเราถ้าเอาใจเราจะบังคับท่านถ้าเอาใจท่านต้องแล้วแต่ท่านพยายามจะทําทุกอย่างคือผมจะคุยกับคุณแม่เนี่ยไม่คุยเรื่องโรคโรคนั้นคุณหมอคุยเถอะเราไม่ได้คุยเรื่องโรคคุยเรื่องชีวิตเรื่องสุขสนานถ้าเราไปคุยเรื่องโรคจริงโอแม่เครียดเลยหมอมากับคุยเรื่องโรคเป็นไงเนี่ยเราไปคุยเรื่องอื่นซะพาจิตท่านออกมาจาก นอกที่กำลังเป็นโรคภัยเข้เจ็บนั้ น, นคุยเรื่องนั้ น, นก็คุยเรื่องอื่นจนท่านลืมลืมความทุกข์หันมาสนใจเราเแม้จะรับรู้ได้น้อยแต่ก็หันมาสนใจได้สิ่งที่ดีสุ ข, ของเราก็คือจับมือท่านบีบเบาๆโอ้มือแม่นเนี่ยมือผมเหี่ยวกับแม่อีกนะมือเมียเหี่ยวนผมเหี่ยวกับแม่ให้แกมาสนใจเรื่องอื่นซนะ แล้วเราเหียวเขาจริงเย่ยวก็แม่จริงๆบีบปือแม่รู้สึกตัวไหมเนี่ยรู้เนี่ยตรงนี้แม่อนันนิ้วอะไรแกไม่ค่อยอยากพูดแกบอกนิ้วชี้เห็นไม่มลอกินท่านให้มีสติเป็นกุศโลบายไม่ใช่เป็นการโกหกกุศโลบายที่แม่สนใจแกก็มีความสุขลืมความทุกข์ชั่วครา <Yeah. S 1> วเพราะนั้นในฐานะของพาิพแพรอาสาสมัคร เราดูแลแม่เนี่ยเราจิตใจเราต้องดีนะเรามีจิตใจที่รักรู้ได้ดจิตได้ใจเราต้องช่วยพยุงจิตพยุงใจท่านในอันที่ท่านจิตตกโดยการจับมือบีบเบาๆพร้อมที่ช่วยเหลือททุกอย่างนะครับที่เรื่องของจิตใจท่านตกเปลี่ยนจิตไปใจมาสุนใจเรื่องอื่นซะบางทีท้านมาขัดใจเราเราก็ต้องยอมรับ พอเราไปพูดดูแลไม่ใช่พูดดุร้ายพูดดุร้ายเนี่ยจะต้อง อ, อย่างนี้ไม่ได้นะแม่เนี่ยเาเรียกเอาใจเราไม่ใช่เอาใจเขาเพราะนั้นผมว่าหลักของเรเเนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบอยู่สามประการนะนอกจากจะมีความรู้ดีก็ต้องมีความสามารถดีความรู้ดีคือหลักวิชาการที่เราเรียนมามีให้มากมา แต่ต้องมีความสามารถดีคือมีชั่วโมงมินและมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือแต่ที่สําคัญสุดก็คือต้องมีกรรมฐานมีกรรมฐานรักษาใจใจใผู้ดูแลนั่นแหละต้องอาศัยกรรมฐานรู้ไว้เท่าทันใจที่มันไม่ได้อย่างใจเมื่อใจที่ไม่อย่งใจเกิดขึ้นปับ๊บเราต้องรู้เท่าทันเลยอ๋อนี่คือเรื่องของใจนะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของกิเลสมันปล่อยวางมันซะ ถ้ารู้ทันใจแล้วยด้หมื อ, อไรแล้วก็เรื่องในเรื่องคนคาย้นั้นอยู่ในกรมือเลยเราจะรู้ทันใจเขาด้วยะฉะนั้นเรื่องของการมีหลักวิชาการความรู้ความสามารถต้องมีกรรมฐานเพื่อรักษาใจเราไม่ให้ทุกข์ผมเคยไปถอนฟันอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งผมอยู่ตาบลยางขาวอยู่บ้านนอกบ้านนอกไปถอนฟันที่โรงพยาบาลชุมชน คุณหมอนี่คือหมอผู้หญิงโอ้ถอนฟันเนี่ยกล้ามแกไม่ค่อยมีเลยนะแกฉีดยาเสร็จแกก็ทำหน้าทีดด่ดึงดึงดึงโยกไปโยกมาดึงเงื้อไหล่ไข้ย้อยแล้วบอกแมคนยางขาวนี่ฟันมันเหนียวเหลือเกิน อ, อคุณหมอคุณหมอใจเย็ น, นคุณหมอหยุดพักดื่มน้ําก่อนก็ได้แล้วว<อ>่าเอ๊ะคนไข้ยิ้มได้ไงวะคุณหมอใจเย็น คุณหมอก็เป น, นั่งเปิดเพลงฟังอ่ะคุณหมอมาได้แล้วบางทีเราต้องเป็นพละทีให้คุณหมอนะบางทีคุณหมอคุณเวบานนะลเครียดเสียเองเนอะเลยเองเราต้องช่วยเหลือเขาทำหน้าที่เป็นคนไข้ที่ดีเป็นสิ่งไว้าดดีให้กับผู้ดูแลได้เหมือนกันะันะนั้นผู้ดแลต้องมีกรรมฐานต้องฝึกจิตฝึกใจเพื่อรักษาใจตัวเองเ ถ้าผู้ดูแลจิตใจดีคนไข้มันก็ใจดีเพราะนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เป็นสิ่งแวดล้อมขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์อีกครั้งครับ